หลังตัวเองได้ฝึกหมายถึงว่าอยู่ที่บ้านทำนะเพราะว่าไปจัดคอสอไปเข้าคอสกับหลวงพ่อทุกครั้งก็ได้อารมณ์ระดับหนึ่งนะแต่ไม่มีความเข้าใจมากมายมันมีตัวง่วงเยอะมากนะค่ะก็หลังๆตัดสินใจที่จะเราจะทําตั้งใจจริงทําแล้วก็ทําที่บ้านเรียกว่าเกือบจะทุกวันนะฮนะตอนเช้าแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลในความรู้สึกว่าจิตมันมีสติตื่น ขึ้นใจมันเบาสบายแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในหลายๆเรื่องการตัดสินใจหรือว่าการเจอสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันมันดูแบาว่ามันกล้าที่จะทำกล้า ย, ยอมรับในหลายๆจุดเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้มีความสุขว่าใจมันม น, นึกถึงหลายๆคนนะคะนึกถึงคนที่ปฏิบัติสนใจทางด้านนี้แล้วเขา อยากจะเข้าใจหรือว่าเหมือนเคยนึกถึงตัวประสบการณ์ตัวเองว่าหาครูบาอาจารย์หาว่าหนทางจะทํำยังไงมันนึกถึงตรงนี้มากเลยก็เลยคิดว่ามีความตั้งใจมากในใจลึกๆว่าต้องทํางานอะไรประเภทนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนี้นะคะอย่างน้อยก็เผื่อแผ่คนที่เคยมีประสบการณ์หรือเคยมีความใจที่ค้นหาอย่างเราเนี้ยก็เลยมีความมุ่งมั่นที่จะจัดงานนี้ขึ้นแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ทุกคนจะได้ประสบการณ์หรือว่าเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนไม่มากก็น้อยเพราะมันเป็นความรู้สึกตัวเป็นการเหมือนกับที่ตัวเองเข้าใจมันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยสําหรับประสบการณ์ตัวเองนะคะคือเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใ จ, จิตใจตัวตัวเราค่ะความคิดเห็นหรือว่าสถานการณ์ต่างๆนี่คือตัวเราจะรู้อ่ะกับความเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันรู้สึกว่า ตัวนี้เป็นเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เราตั้งใจที่จะจัดงานนี้เกิดขึ้นนะะหลวงพ่อ ก, การมัมการหลวงพ่อมหาดิเรกพระอาจารย์ทุกท่านแลกะก็ขอสวัสดีเพื่อนกลลาลยานมิตรทุกคนนะคะชื่อมนทนีวงชินสีนะคะชื่อเล่นว่ามนแล้วก็ชอบมีคนแอบอ้างหน้าตาเหมือนกันในที่นี้ด้วยต้องระวังไว้ด้วยนะคะ คือก็จะบอกว่าการที่เข้ามาปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวนี้ได้ก็เป็นเพราะมีน้องสาวที่น้าเหมือนกันนี่ค่ะคอยชักจูงและน้องสาวเริ่มปฏิบัติได้ก็เพราะอุ้มเพราะฉะนั้นมันเป็นโยงใยเป็นกาลยานมิตรซึ่งกันและกันก็คงจะเหมือนกับทุกๆคนที่มาปฏิบัติที่นี่ถ้าถามว่าปฏิบัติกับหลวงพ่อมาเนี่ยครั้งแรกก็สีปีที่แล้วจริงๆแล้วหนีหลวงพ่อมาตลอด พอน้องสาวไปก่อนแต่หลวงพ่อโทมาที่ไรก็บอกไม่ว่างจนในที่สุดน้องสาวว่าเป็นคนซื้อตั๋วให้ไปก็เลยต้องไปครั้งแรกก็ก็ได้อารมณ์แต่ว่าถามว่าเข้าใจแ จ, จ่มชัดชัดไหมยังไม่ชัด เ, เพราะว่าเคยปฏิบัติสายอื่นมาเหมือนอย่างที่ทุกคนเคยทำก็รู้สึกว่าเออวิธีนี้มันก็ได้ผลเหมือนกันนะแต่ถ้าให้นึกย้อนกลับไปแล้ว การได้ผลนี้เรายังไม่เข้าใจรูปนามที่ชัดเจนทีนี้ก็พอครั้งที่สองก็ตามไปอีกก็สามารถต่อกันได้มากขึ้นถึงแม้ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติอย่า ง, เ, างเพียรทุกวันแต่พอเรากลับไปครั้งที่สองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออเราจำได้ที่ว่าเราเคยไปจุดนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะไปเดินไปตรงไหนต่อมันก็สามารถทาได้พอครั้งที่สามก็ต่อไปได้อีก ความละเอียดมันก็จะมากขึ้นทีนี้พอคลาสที่สามันความละเอียดมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดมีความที่ว่าเออทุกปีเนี่ยเราอยากจะอย่างน้อยเนี่ยต้องเข้าคอร์สปฏิบัติอย่างน้อยปีหนึ่งหนนหนึ่งออให้ได้เพราะว่าเราออกไปแล้วเนี่ยออานของเรามันยังไม่มั่นคงพอออกไปข้างนอกไปเจอความจริงที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแน่นอนบางครั้งมันย่อมมีรูการกลับใหม่ครั้งมันก็เป็นการตอกย้า เพิ่มความรู้ของเราแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อนะคะก็จะเข้าใจมากขึ้นทุกครั้งแล้วก็รู้สึกได้พัฒนาไปขึ้นอีกแล้วก็ได้เอากลับมาลองออใช้หรือสังเกตมากขึ้นก็จะช่วยได้เยอะออแล้วก็ครั้งที่สี่ล่าสุดนี่คือไปที่ฟลอริดานี่ก็ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ว่าไปแล้วก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นที่เป็นชาวต่างชาติด้วย ก็รู้สึกว่าเออก็ได้เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ว่าได้ทั้งช่วยผู้อื่นแล้วเราก็ได้ทั้งปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ไปได้คือเรากลับมาปฏิบัติแล้วมันก็ยังไม่หลุดแล้วก็ครั้งนี้ก็นับว่าเป็นบุญนะคะที่ได้ร่วมจัดกับอุ้มซึ่งอุ้มนี่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความอดทนในการจัดงานแล้วก็มีความผิดชอบสูง แล้วก็มีความเมตตาต่อทุกๆคนด้วยเพราะว่าอย่างวันนั้นพี่พี่ดมไม่สบายปุ๊บอุ้มเขาก็บอกเขานวดให้เลยซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ออกมาจากใจและโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในฐานะกลยารณ์กลยาณมิต ท, ที่รู้จักอุ้มมาเป็นเวลา8ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงของอุ้มเยอะมากเยอะอย่างที่ตัวเขาเองบอกมาจากที่รู้จักกัน8ปีที่แล้วถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อุ้มคนเดิมเพราะว่า เขามีความมั่นใจมากขึ้นและการตัดสินใจของเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็คือปกติอุ้มเป็นคนที่เย็นแล้วก็ทำอะไรคิดก่อนที่จะพูดแต่ปัจจุบันเนี้ยมันยิ่งละเอียดมากขึ้นและการพูดการกระทาของเขาเนี่ยมันม น, น่าเคารพนับถือคือใครเห็นทุกคนก็จะชื่นชมแล้วก็ความคิดของอุ้มเนี่ยจะเด่นจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี คือจากในฐานะที่เป็นกรยานมิตรเนี่ยจ ะ, จะสังเกตเห็นได้ก็นับว่าชิคาโกโชคดีมากที่ตอนนี้ถ้าจะว่าไปก็มีอุ้มเป็นคนหลักที่ใครมีคำถามอะไรเลยเราก็จะจับกลุ่มคุยกันได้เพราะฉะนั้นกออ็อยากจะบอกให้ทุกๆคนทราบว่าเออไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีการยานมิตรไม่ว่าจะอยู่เมืองไหนรัฐไหนเราก็จับกลุ่มกันได้สำหรับตัวมนเองเนี่ยก็ เมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีอาการป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเกี่ยวกับโรค ล, ลำไส้แต่พอไปถึงโรงพยาบาลแล้วหมอเขาจับเอกซเรย์เนี่ยผลมันออกมาหมอที่ห้อง Emergency Room เขาก็บอกว่าเขาก็ทำหน้าเศร้าเข้ามาบอกว่าเออฉันคงให้อยู่กับบ้านไม่ได้นะเพราะฉันเจอก้อนเนื้อในลำไส้ของยูซึ่งคิดว่าไอ้ก้อนเนื้อ น, นี้มันกำลังจะปิดลำไส้ของยูแล้ว ก็เลยถามเพราะว่าแล้วที่อยู่มาถึงก้อนเนื้อเนี่ยเป็นก้อนเนื้อมะเร็งหรอเก็นแคนเซอร์หรอเขาบอกว่าถ้าทางจะใช่ก็เลยถามเขาตอว่าอยู่แน่ใจได้ไงก็คือถามคำถามหมอนะคะเพราะว่าแต่จุดที่เขาบอกมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าถามว่าสติเป็นยังไงสติเรานิ่งนะคะคือไม่ได้ไม่ได้ตกใจหรือวูบลงไปคือรู้สึกว่าเอออันนี้ที่เราปฏิบัติมามันใช้ได้นะ เพราะปกติถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยพอเรารู้คาว่ามะเร็งปุ๊บแคนเซอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะแบบบูบแล้วถามถามต่อไม่ได้แต่อันนี้เรารู้สึกว่าเออ ก, ก, ก็แค่ชื่อมะเร็งก็แค่นั้นก็แค่ชื่อจะเป็นโรคไรโรคหวัดโรคตัวร้อนโรคมะเร็งมันก็คือโรคเหมือนกันมันก็ไม่ได้ทําให้เราสะเทือนก็เลยสามารถณนะตรงนั้นเนี่ยสามารถถามกับหมอคําถามได้หลายอันว่าแล้วเราจะรักษา ย, ยังไงฉันต้อง เคมอเทอร์ปีหรือเปล่าแล้วยังไงถ้าฉันต้องผ่าตัดฉันต้องผ่าเท่าไหร่ถามจนหมอตอบไม่ได้หมอเเลยบอกว่าอยู่รอเอ็กซ์เพิร์มาเดี๋ยวอยู่จะมีหมอสามทีมมาช่วยดูแลอยู่หมอ emergency r o ซ m ก็บอกว่าใช่หมอแพร i l ด doctor รก็บอกว่าใช่หมอผ่าตัดก็บอกว่าใช่แล้วก็เตรียมตัวผ่าตัดทันทีก็บอกมันต้องรีบขนาดนั้นเลยหรอบอกฉันยังไม่ผ่าได้ไหมหมอผ่าตัดบอกว่า เดี๋ยวรอหมอ GI เนี่ยนะที่ดูด้านด้านท้องเนี่ยมาเช็คอีกทีหนึ่งถ้าเขาคอนเฟิร์มปุ๊บผ่ภาภายในวันสองวันเนี้ยเดี๋ยวเตรียมอดข้าวอดน้นได้เลยก็บอกเอ๊ล้วทำไมเรายังเราก็ายังงงงว่ามันมันเร็วมากเลยทีนี้หมอ GI พอมาดูปุ๊บเป็นคนสุดท้ายหมอก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มะเร็งมันเป็นโรคเขาเรียกว่า d i v e r t i c อ l ิ s i s เป็นคือเหมือน เหมือนเป็นไส้ติ่งอย่างหนึ่งของลําไส้แล้วมันมันอักเสบมันพองมันก็เลยเหมือนไปบล็อกลําไส้หมอบอกให้กลับไปบ้านพักสามอาทิตย์กินยานะแล้วกลับมาใหม่หลังจากนั้นก็ดูแลรักษาก็าโดยมีอุ้มเนะะี่ยค่ะที่ขอร้องให้เขาช่วยมามาดูด้านอาหารเพราะว่าอุ้มเขาจะเก่งด้านตำราอาหารหมอเขียวไม่ทราบเคยได้ยินไหมคือจะกินอาหารด้านร้อนเย็นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ ได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่สมพรมาช่วยชีวิตเหมือนกัน <c oughs> คุณแม่สมพรก็มาให้ธรรมะแล้วก็มาแนะนําว่าควรจะทําดีท็อกส์ล้างลําไส้แล้วก็บอกว่า <c oughs> ต้องทําคืนนี้นะคือจริงๆแล้วหลายๆคนรอบข้างก็บอกมาให้ทําแล้วแต่ก็ไม่กล้าแต่คุณแม่มาก็บอกว่าต้องทํำนะเจ้าคืนนี้ห้ามนอนต้องทําก่อนนอนนะไม่อย่างั้นเราจะไม่หายหคุณเป็นมะเร็งแล้วเขาทขําก็พูดจะรู้สึกว่าเออเรามีกําลังใจที่จะทําก็ทําอย่างนั้นวันหนึ่งสองครั้งจนกระทั่ง ไปสองกล้องดูเนี่ยก้อนเนื้อมันไม่มีแล้วมันหายจากตอนแรกหมอทุกคนก็บอกว่าถ้าเป็นมะเร็งต้องผ่าลำไส้ห้าสิบอร์เซนถ้าไม่เป็นต้องตัดลำไส้20่สสิเปอร์ซ็นต์าก็เตรียมตัวผ่าตัดแล้วว่าไม่ว่าจะยังไงก็ต้องโดนผ่าแต่ปรากฏไปส่องแล้วเขาบอกมันไม่มีแล้วลำไส้ไอ้ก้อนเนื้อที่ว่าเนี่ยมันหายไปแล้วก็บอกบอก็เออก็รู้สึกดีใจเอออย่างน้อยเรายังมีบุญมาช่วย น, นนะยังต่อบบุญให้เราว่าเออ เด๋ยวเดือนพฤษภาเนี่ยจะมีการจัดทําเราคงไ ด, ได้ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยก็ ก, ก็ก็รู้สึกว่าแต่ระหว่างที่นอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีบางบางขณะที่ว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะมีสายน้ำเกลือแล้วก็โดนเจาะเลือดทุกๆุสองชั่วโมงเช็คค่าเลือดตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ก็ได้ยกมือข้างเดียวหรือพอเขาบอกว่ายูลุกเดินได้นะก็ลากสายน้ําเกลือเดินจงกรมอยู่ที่โรงพยาบาลเดินอยู่ที่ฮอลเวย์เนี่ย ประกวดหมอเขาก็มาช้าวันหนึ่งมาตรวจหมอเขามาขอโทษหมอด้านท้องเขบอกเออตามหาหมอไม่เจอเดี๋ยวจะหาหมอคนใหม่ให้เออไม่เป็นไรไม่ต้องรีบฉันเดินจงกรมทั้งวันได้อยู่ตามใครก็ได้ก็ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์ที่ว่าอันนี้เราได้เจอของจริงที่ว่าสมมุติถ้าเราต้องตายอ่ะถ้าเราต้องไปเนี่ยเราพร้อมหรือยังจิตเราอะ่ะพร้อมที่จะยอมรับมันหรือเปล่าพร้อมที่จะปล่อยวางหรือเปล่าถึงถึงได้ถามหลวงพ่อว่าเอ๊ะ จิตสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงคือมันเราเราเหมือนเจอแต่ว่ามันก็ยังเราเหมือนว่าต้องเตรียมพร้อมค่ะถึงจุดนั้นเนี่ยมันเหมือนว่าเราต้องพร้อมนะก่อนหลับตานอนรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราต้องไปก็ก็ไปคือพอรู้เรื่องปุ๊บ ก, ก็จะสั่งการทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าต้องไปจริงๆจะได้ปล่อยวางบอกแม่ไม่ต้องมป็นห่วงบอกน้องไม่ต้องมป็นห่วงพระสวดอะไรทําอะไรยังไงตรงไหนเราก็สั่งเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วเราก็สบายใจละ ก็คือคือก็มีความรู้สึกว่ายังไงมันต้องถ้าจะไปก็คือขอไปอย่างสบายแล้วก็ไม่เตรียมพร้อมที่จะสู้ก็ก้อเนี่ยค่ะก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนว่าฝึกไปวันนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นผลอาจจะยังไม่รู้ว่าใช้เมื่อไหร่ใช้ยังไงแต่ในายามเหตุการณ์ที่มันมาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกใจเรื่องเล็กๆน้อยน้อยเรื่องคนรอบข้างเรื่องอุบัติเหตุหรืออะไรที่เกิดความตายจะเข้ามาเนี่ย มันมันช่วยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีสตินะไอ้ที่เรายกยกเนี่ยมันเกิดสติแต่ว่าที่ฝึกมาเนี่ยก็ ท, ย Thirty ทําให้รู้ว่าณที่อยู่โรงพยาบาลหรือระหว่างไม่สบายทําให้รู้ว่าเรายังไม่พร้อมเรายังไม่ตั้งมัน่นเพราะว่าบางครั้งที่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยมันรู้สึกมีความทอ้อมีความรู้สึกที่ไม่ตั้งมัน่นที่ว่าเออจะทาไง ใ, ให้มันดีขึ้นมันก็มีจุด ก, ก็ก็ต้องก็ต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆก็นับว่าโชคดีนะคะที่ที่ ผ่านรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นปกติเหมือนเดิมก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยอย่ายอมแพ้ฝึกไปเรื่อยๆไม่รู้สักวันหนึ่งมันก็ต้องรู้อ่ะมันจะมันจะเห็นผลเองโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่เราไม่ได้สังเกตว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเรามีความดีขึ้นจนกระทั่งอาจจะมีคนรอบข้างมาสะ ก, กิดเราบอกเอออยู่ผู้จาเปลี่ยนไปนะเออความคิดอยู่เปลี่ยนไปนะ นั่นแหละเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราใช้ได้นะเราเห็นผลนะคะก็ขอให้ทุกคนเจริญในธรรมมากขึ้นไปนะคะคะอยากให้ทำประทานนิพพิสวะทำหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่คือการดีท็อกซ์ที่คุณแม่แนะนําเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าเจ้าจะต้องเอาน้ําปัสสาวะตัวเองดีท็อกซ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เข้าใจไหมลูกบอกเข้าใจคะ่ะ แล้วแม่ก็บอกว่าแต่ว่าถ้าทาแล้วตอนเช้าเนี่ยนะอยากให้ผสมกาแฟแต่ถ้าช่วงนี้ไม่สบายเนี่ยให้เอาน้ำปัสสาวะตัวเองแล้วก็ให้ดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองด้วยจากที่ทุกทีเราฟังน้ำปัสสาวะอือกินไม่ลงแต่ในายามเจ็บป่วยอะไรมันก็ต้องกิน <laughs> มันต้องกิน <laughs> แต่่ตวงเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยมันทานอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็บางเอินทานอาหารที่ e ฮล t ี้มากคืออุ้มเขาจะจัดอุ้มเขาจะมีอาการที่ว่าจัดอันนี้กินไปร้อนไปเย็นไปก็จะปรับเปลี่ยนกันอยู่ดรืยฉันทานน้ำปัสสาวะตัวเองช่วงนั้นเนี่ยอร่อยมากแล้วก็หอมมากจริงๆเพราะว่ามันหอมหอมเหมือนของที่เรากินเข้าไปค่ะมันหอมเป็นน้ำผักอย่างนั้นแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วพอแม่คุณแม่สมพรบอกว่าแม่นะมีปัญหาเลยลูกใส่ขวดโหลกเก็บดองเอาไว้ ก็เลยบอกว่าข า, า, ขากินทุกวันคะตอนเช้าตื่นมาก็จิบชิมแล้วก็คือ RPG, ก็เลยรู้ว่าเออมันก็มีประโยชน์แล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าขยักขยแยงเลยเพราะมันเป็นของของเราแล้วก็ทําให้เราระวังในการกินมากขึ้นเพราะวันไหนที่เรากินผิดกินเผ็ดกินเค็มกินเปรี้ยวรสชาติมันบอกมาหมดกินเนื้อสัตว์กินไม่เนื้อสัตว์กินผักมันบอกมาหมด ฉันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออตอนเช้าเราอยากกินอะไรที่อร่อยเราก็ต้องระวังการกินตอนกลางวันมันก็จะไปนึกถึงตอนนั้นนะคะก็เออดือนกันยานี่ยที่นี่ก็จะมีการจัดคอ์สหมอเขียวหมอเขียวจะมาเองก็เลยคิดว่าอยากจะลองศึกษาดูด้านนี้เพราะว่าไหนไหนก็รู้สึกมันก็มีสิ่งแปลกแปลกสิ่งที่ดีที่ไม่น่าเชื่อแล้วก็ไม่อันนี้มันไม่ได้เป็นวิธีการแพทย์ทางเลือกของคนไทยนะฮะฝรั่งเขาก็ทํากันเพราะว่า ก็ก่อนพอคุณแม่บอกปุ๊บก็เข้าไปในอินเทอร์เนต็ตนั่งเซิร์ชดูว่าไอยูรินเทอร์ปีนี่มันมีไหมมันมีฝรั่งเขาก็ทําวิจัยทํารีเสิร์ชกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนทุกอย่างมันเหมือนกันเขาพูดเหมือนกันฝรั่งเนี่ยแจกแจงรายละเอียดเยอะหมอเพราะฉะนั้นเนี่ย ม, มันมีกลุ่มคนที่เชื่อด้านนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่หมอเขียวแนะนำเนี่ยมไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งแปลกก็เป็นอะไรที่น่าศึกษาอยากทุกคนลองดูเพราะอันนี้มันก็จะคู่กันกับธรรมะมัน เกิดความระมัดระวังเกิดสติมากขึ้นในการกินการใช้ชีวิตสังเกตตัวเราอย่างเช่นเวลาเราไม่สบายเนี่ยเวลาเราดิท็ อ, อกซ์มาหรือเวลาต้องทําเป็นเจอเนลจดเลยนะคะว่าตอนเช้าทานอะไรสีอะไรกี่โมงตื่นกี่โมงถ่ายออกมาแล้วสีอะไรคือเพราะช่วงนั้นหมอเขสั่งเลยว่าถ้าเลือดออกมาเนี่ยนะต้องรีบกลับเข้าโรงพยาบาลอีกถ้าทานไม่ได้อาเจียนออกมาต้องกลับเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดทันทีก็เลยทำให้ต้องจดรายละเอียดทุกอย่าง เราต้องสังเกตตัวเราเองก็เลยก็เน่ก็คือการสังเกตถึงแม้แไม่ได้ยกมือแต่คือการสังเกตในร่างกายการเปลี่ยนแปลงของเรามีอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือว่าเป็นยังไงหลังจากกินตัวนี้กินผักตัวนี้เข้าไปแล้วรู้สึกไงเพราะตอนนั้นร่างกายเนี่ยมันไม่มีสารอาหารอะไรเลยเพราะถูกล้างท้องเพราะฉะนั้นพอกลับมาบ้านปุ๊บอุ้มกับเล็กเขาก็ทําน้ําผักช็อตที่ทุกคนดื่มตอนเช้าค่ะทานเข้าไปช็อตหนึ่งเนี่ยสักพักหน้ามืดเพราะว่า เราไม่มีอะไรแล้วมันเย็นเกินไปมันเย็นปุ๊บอุ้มปุ๊บเขบอกว่าเล็กไม่ไหวแล้วฉันต้องกลับโรงพยาบาลอีกแล้วฉันไม่ไหวแล้วอุ้มเขากเลยเออแสดงว่านี่เย็นเกินไปอ้าขอน้ําร้อนขอข้าต้มหน่อยอุ้มเขาก็มาให้ทานเข้าต้มมันก็จะปรั บ, บมันก็เลยเห็นอาการเปลี่ยนแปลงของการกินร้อนเย็นได้ชัดมากถ้าเกิดเราไม่สบายเราปกตินะคะกินผักกินอะไรมันไม่ค่อยรู้สึกหรอกคะ่ะเพราะมันมีของสกรปรกอยู่ในลําไส้เยอะแต่อันนี้ ที่เข้าใจคือว่ามันคลีนมากมันสะอาดมากกินเข้าไปปุ๊บมันดูดซึมทันทีมันออกอาการทันทีเข้ากระแสเลือดเข้าขึ้นสมองมันมันจะออกอาการทันทีก็เลยเพูดถึงแล้วการป่วยก็เป็นสิ่งดีทําให้เราได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเราฉะนี้ก็คือการสังเกตอีกก็เกิดจากการยกมือความละเอียดของเราอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่มันใช้ได้ตลอดยกวันนี้แต่วันหน้าาจะไม่ต้องยกเพราะมันก็จะมีวิธีการอื่นฉะนั้นตอนนี้ต้องขยันเยอะๆนะคะโอเคคะ่ะ กราบาดํามาสการท่านอาจารย์มหาดิเล็กและท่านอาจารย์ทุกท่านค่ะแล้วก็กราบาสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะดีใจที่ได้พบทุกท่านโดยเฉพาะที่มาจากต่างรัฐเ<ม>พราะว่าถ้าไม่มีท่านก็กลุ่มของจะเล็กกว่า น, นี้เพราะคนชิคาโกเหลืออยู่คนเดียวนะะ <c oughs> อ, อ๋มีน้องใหม่อ๋อสองคนสองคน ที่อย่างที่พี่สาว่าที่มาปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนนี้ก็เป็นพ่ออุ้มเนื่องจากดิฉันเนี่ยเริ่มต้นเรียกว่า เ, เมื่อสิบปีที่แล้วนะคะก่อนจะย้ายมาชิคาโกเนี่ยประสบ ป, ปัญหาของโรคซึมเศร้าแล้วก็คิดมากทําให้ต้องทานยาฉะนั้นเนี่ยระหว่างทานยาแก้ซึมเศร้าคิดมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอยู่คนเดียวช่วงระหว่างทานยานี่มันไม่มีสิ่งดีเลยมันไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นเราก็เลยพยายามหาทางออกว่าทางออกอะไรที่จะดีที่สุด เราก็ไปหาที่นั่งสมาธิวิปัสนาอะไรอย่างเงี้ยะซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ผลแล้วถึงถอนยาแล้วบางครั้งสมเดือนหลังจากถอนยามันก็ยังมีอาการกำเริบอีกค่ะมันก็เลยเราก็เลยพยายามหาทางเลือกของเราเองมันมองอะไรมันก็เนกาทีฟแล้วมันมันจะทานข้าวไม่ค่อยลงแล้วก็มันจะมีอาการของแอนซตี้ที่แบบเหมือนกระวนกะวายแล้วก็แบบ มันอธิบายยากจริงๆแล้วโลกนี้เป็นโลกของความที่เคมีในสมองมันไม่บาลานซ์ค่ะอาจารย์ซึ่งนอกจากเคมีในสมองไม่บาลานซ์แล้ว1เกิดจากการคิดมาก 2. เคมีในสมองไม่บาลานซ์สาการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องอาจจะทานหวานเกินไปหรือโดยซึ่งตอนหลังเนี่ยจะอธิบายให้ฟังว่าเราก็มาเรียนรู้ที่หลังดังนั้นดิฉันก็จะพยายามหาทางเลือกทานวิตามินเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ใช่ดีที่สุด Uh, จนกระทั่งไปปฏิบัติแบบโกงก้าเราก็ไปมาแต่ว่าเรายังมีสติที่ไม่เพียงพอทำให้นั่งแล้วมันมันนิ่งลึกเกินไปแล้วเราไม่สามารถที่จะดึงสติเรากลับมาได้ <c oughs> ก็เลยคิดว่าทางร้านก็ยังไม่เหมาะ <c oughs> จนกระทั่งอุ้มแนะนำว่าให้มาสายหลวงพ่อเทียน <c oughs> ก็ลองไปดูไปครั้งแรกก็ไปแค่สามวัน เพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นวิธีที่ใช่หรือเปล่าแต่พอไปแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ค่ะคือเบือ่อไม่รู้จะมานั่งทําไมอุย้ยไม่รู้งี้ไม่มากดีกว่าใครจะฉุดยังไงให้อยู่เราก็ไม่อยู่ต่อแล้วกลับแม่ชีขาโคกกคือไม่อยู่ต่ออะไรอยงนี้คแต่ก็ภาวนาสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยได้อารมณ์ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีนี้เนี่ยมันมีอะไรดีแต่เราก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรวันวนั้นนะคะแต่เราอยู่ได้แค่สามวันเราก็ต้องกลับ หลังจากนั้นก็พอรู้ว่าหลวงพ่อมาเราก็ไปรีทรีตตอีกครั้งนี้ไป7วันเลยคือเวลาไปแล้วก็ปฏิบัติต้องปฏิบัติแบบท้าพิสูจน์นะคะเพราะอยากจะรู้ว่าวิธีนี้เนี่ยมันคืออะไรก็ปฏิบัติเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆความคิดเยอะค่ะหลวงพ่อให้ไปอยู่ในเต็นท์เก็บอารมณ์โอ้เหมือนปลา ด, ดิ้นอยู่ในน้ําพลาดพลาดเพราะแบบความคิดมันเยอะมากแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยวันที่5้าที่6มันก็เริ่ม เรามีสติมากขึ้นเราก็เห็นความคิดเรามากขึ้นไอ้วันที่เราเห็นความคิดเราเนี่ยโอ ม, มันเห็นทุกเลยว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทุกเรร้องไห้เราเป็นอะไรเนี่ยมันเพราะความคิด แต่ตอนนี้เรามันมีสติเนี่ยมันเห็นเลยเห็นความคิดที่มันผ่านมาแต่ครั้งนี้เราไม่เป็นอะไรกับมันเราแค่เห็นมันผ่านไปอะไรเงี้ยใช่เราก็ร้องไห้อยู่ในเตงคุณเดียบเป็นเวลานานนึกว่าเฮ้ยนี่เราบ้าแล้วพอั่งร้องไห้แต่ก็ตอนนี้กลับไปย้อนมองใหม่แล้วก็คือคือเรามีสติแล้วเราเห็นทุกรู้ทางออกทุกขคือหลังจากวันนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับเห็นทางออกของถ้าเหมือนเราอยู่ในถ้าที่มืดมาเป็นเวลานานเราก็เห็นทางออกเห็นแสงสว่างเราก็คือจะเห็นทางเดินที่ ถูกต้องที่จะเดินออกจากถ้ำนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็จะสึกมีความรู้สึกที่ดีกลับมาก็อีกปีหนึ่งก็พยายามตามหลวงพ่อไปอีกนะะแต่ว่าทุกครั้งที่ไปเนี่ยมันก็จะมีพัฒนาการของมันที่ดีขึ้นเรื่อยๆรืเหมือนที่หลวงพ่อว่าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับการสารเสือนะคะคือเสือเนี่ยเราสารไปเรื่อยๆถึงแม้วเราไม่ปฏิบัติ ความเพียรน้อยแต่พอเรากลับมารีทรีตใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นการสารต่อจนกระทั่งเราสารจนหมดเสือเต็มเสือฉันเนี่ยการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อเทียนนี้ก็เป็นแนวเนี้ยนะคะฉันเนี่ยหรฉันก็กลับไปปฏิบัติอีกครั้งที่ได้ผลจริงๆเนี่ยก็คือปีที่แล้วตอนไปฟลอริดาคือปฏิบัติแล้วมันจะมีความละเอียดเห็นกายเห็นใจตัวเองชัดมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ ยังไม่พอคิดว่ายังรู้ไม่พอก็ตอนเดือนสองเนี่ยไปรีทรีตที่ลาสเวกัสไปเก็บอารมณ์กับแม่สมพรแล้วพอดีหลวงพ่อก็จัดรีทรีทด้วยครั้งนั้นยิ่งยิ่งมีความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้นคือมันละเอียดเห็นกายเห็นใจแล้วก็มันแยกจากกันเลยแล้วก็มันจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วการปฏิบัติธรรมอย่างที่หลวงพอ่อเคยเน้นอยู่เสมอว่าเวลาเกิดสมาธิแล้วเนี่ยอย่าให้เป็นสมาธิที่นิ่งสงบ เราต้องสร้างตัวรู้ถ้าเราสร้างตัวรู้บ่อยๆทำความรู้สึกดิฉันจะพยายามดูที่กายที่ใจอยู่เสมอใช้โดยใช้กายเราเนี่ยเป็นที่ตั้งเพราะว่ากายเราเนี่ยเราจะเห็นเวทนาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจาวันหรืออะรกานเรานั่งปฏิบัตินเนี่ยคือเราเปรียบเสมือนกายเราเนี่ยเหมือนเป็นบ้านของเรานะคะคือ เราออกไปเที่ยวเนี่ยการออกไปเที่ยวเล่นเนี่ยก็เหมือนกับความคิดเราที่มันเตลิดออกไปแต่เราทำยังไงที่ออกไปเที่ยวเราไม่หลงทางเราต้องกลับมาบ้านเราให้ถูกโดยเรามีกายของเราเนี่ยเป็นตัวฐานตั้งฉะนี้ถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยเห็นความคิดกลับมาอยู่กับกายเห็นความคิดกลับมาอยู่กับกายอยู่กับการเคลื่อนไหวถึงแม้บางครั้งเนี่ยพอมันได้จังหวะเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยก็ให้กลับมาดูอย่างอื่นใช้วิธีสแกนกายเลยแบบ ทุกครั้งที่เรายกเนี่ยมันจะเห็นทั้งหัวจุดเท้าทุกครั้งที่เห็นหัวจุเท้าแต่จะมีจุดเด่นๆอยู่สองสามจุดที่มันจะเห็นเวทนาตรงหน้าอกบ้างตรงเอวบ้างตรงหลังขยับที่เมื่อยหลังมันจะเห็นเราก็ดูไปอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งสติมันจะตั้งมั่นของมันขึ้นมาเองเวลามันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีทั้งสมาธิและมีทั้งความตั้งมั่นแล้วมันจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมโอ้โหมันจะสนุกกับการดูมากเลยคือแบบว่าไม่อยากจะหยุดทําคือแบบ ไม่ว่าจะนั่งเดินยืนนั่งนอนเรามันจะมีความรู้สึกตัวไปหมดแล้วก็จะนอนหลับยากเพราะว่าจิตเราตื่นซึ่งผลของการปฏิบัติครั้งนี้ที่ผ่านมาที่ลาสเวกัสครั้งนี้มันรู้สึกตัวเองเปลี่ยนไปมากขึ้นคือในระหว่างการทำงานในชีวิตประจาวันเนี่ยเราก็ยังคงอาศัยกายในเวลาระหว่างทำนี่มันจะเห็นเลยความเวทนาที่เกิดขึ้นตอนเช้านี่รู้สึกโอ้กายสบายวันนี้รับประทานอาหารกินอาหารเฮลตี้มาแต่ สักพักหนึ่งตอนบ่ายหูทำไมมันเพียมันง่วงมันคือมันมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอณนนิจังฉันเราเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยฉะ น, นี้การที่เราสังเกตตัวเราบ่อยๆมันเหมือนเราเป็นหมอให้กับตัวเราเองค่ะดูอาการของตัวเราเองว่าเรามีความบกพร่องตรงไหนเอ๊ะทำไมอาการอย่างนี้แสดงว่าเรากินไม่ถูกฉะนั้นเราก็จะสนใจในเรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตอนนี้ก็จะเน้นเรื่องการทานอาหารที่ต้องตรับอย่างที่เมืองไทยจะนิยมกินน้ําด่าง ฉั้นการเราปฏิบัติธรรมก็คือการเดินสายกลางล่างกายเราก็เหมือนกันต้องมีการกับผ้ากับกดด่างให้มันมาอยู่กลางก็คือเป็น P ีเออยู่ระดับระหว่างกลางเพราะฉันเนี่ยไม่ว่าทางธรรมหรือทางโลกมันก็เหมือนกันเราต้องเราปรับมาใช้และที่สําคัญคือตอนที่พี่สาไม่สบายเนี่ยค่ะแต่ฉันเพิ่งกลับจากปฏิบัติธรรมสติเรายังดีอ่เงี้ยพอหมอบอกพี่อยู่เป็นมะเร็งยืนอึ้งสักพักหนึ่ง มันก็วูบไ ป, ป น, นิดนึงแล้วก็ตั้งสติขึ้นมาแล้วก็บอกอืมไม่เป็นไรอะไรเกิดก็เกิดแล้วตอนที่พี่เขาพูดพู ด, พดแบบสั่งลาแล้วเฮ่อไม่ต้องอะไรเแล้วก็ถามใจตัวเราเองว่าเราพร้อมไหมที่ถ้าเราไม่มีพี่เราเพราะว่าเราเป็นฝาแฝดเนี่ยมันคู่กันมาตลอดทำอะไรก็ทำด้วยการบอกในใจตัวเองว่าพร้อมจะไปก็ไปเลย <laughs> จริงไม่พูดอยู่ในใจไม่ไปมีขวดโหลแล้ว<ร><ร>ไม่ขวดโห <ล S 1> ใช่ <laughs> คือตอนนั้นคือเราต้องวาดภาพเลยว่าถ้าไม่มีที่เราเนี่ยเราอยู่ได้ไหมฉันมันก็เหมือนการคู่สามีภรรยาคู่พี่น้องพ่อแม่อย่างเงี้ยเราต้องเตรียมพร้อมเราก็ช่วงนั้นนี่เราตั้งสติแต่ก็คือพยายามช่วยพี่เต็มที่คืออุ้มจะอยู่ฝ่ายอาหารร้อนเย็นเราจะอยู่ฝ่ายพวก อ า, อาหารฝรั่งคือน้ำผลไม้เราจะเอาน้ำผลไม้เนี่ยศึกษาว่าต้องกินยังไงอะไรใครเป็นโรคอะไรฉันเนี่ยครั้งนี้อาจารย์พอส่งมันเลยอาจารย์ก็เลยได้รับอันิี้ส่งนี้ไปด้วยเพราะอาจารย์อาการเป็นไงคะเดี๋ยวยมฉันน้ำจูซายก็ไปเสิร์ชทั้งอินเทอร์เน็ตว่า น, น้ำจูซอะไรจะช่วยโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็เลยเป็นผลดีว่าพี่เราไม่สบายเราก็ได้ศึกษาการดูแลรักษาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันครั้งนี้ทุกคนก็เลยอันิี้ส่งด้วยชอบปั่นน้ำจูซ นะคะฉันก็ขอให้ทุกท่านาทำความเพียรต่อไปวิธีนี้เนี่ยทาแล้วเนี่ยมีความสุขมันจะหลุดออกจากทุกจากสุขไม่ทุกมากไม่สุขมากมันจะอยู่เป็นกลางกลางอะค่ะก็คิดว่าตัวเองก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะได้มาร่วมใจกันอีกนะคะก็ครั้งนี้โดยให้อุ้มเป็นผู้นำเราเป็นผู้ช่วยแล้วคงจะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะ <laughs> บอกว่าปีหน้าจัดใหม่ใช่ไหมปีหน้าจะไปฝรั่งเศสจ้าข้าไปฝรั่งเศสงดจัดปีวันปีงดปีวันปี